สตาเจนหลายมีเป็นคนพาแรมแบบข้ช่วงนี้เป็นเทศกาลนากระถินไม่ว่าจะไปที่ไหนกันเนีมีคนเน้นมีคนจองขาย <c oughs> อันนั้นก็ต้องทําใจว่าเพื่อปุตตเพื่อการเรียนในการธรรดาเราอยู่กับโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่างของสังคมเป็นเรื่องของโลกนัานใจของเราก็ต้องหวางปป้ว้ที่สองส่วนก็คือ ส่วนหนึ่ง็เรื่องของโลกส่วนหนึ่งเป็นเรื่อ ง, งของธรรมเป็นความคิดอย่างนี้ทางศาสนาทางาพระต่างนว่าเป็นสังขานโลกสังขานธรรมสังขารโลกคือคิดปรุงแต่แบบลุกโลกอยู่แบบลูกโลกกิาติของเรา เคือคทำจนสันสุขทุกคือเราสังขารโลกคือปรุงแต่งแบบโลกหนึ่งสังขารธรรมเป็นนอนประหารธรรมสังขารโลกเองคิดแบบโล ก, โลกนั้นคิดไม่จบปรุงยังไงก็ไม่จบแต่งยังไงก็ไม่จบคือไม่มีที่สิ้นสุดส่วนสังขารธรรมนั้น คงแตงน้อยมันจะมีที่สิ้นสุดคือมีที่จบโอนง่ายขึ้าใหมันจบทาไมบอกอย่างนั้นให้เราเรื้องการนับถ้าเรานับไปเรื่อยๆไม่มันจบมันไม่มีันจบนะคือคิดแบบโลกเป็นหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเรื่อยๆไม่จบไปคิดแบบาอยู่ คิดแบบเรื่ e งเดียวยโเดียวอะไรนหนึ่งอาจเป็นตัวเลขคือหนึ่งวันหนึ่งใจิตใจเราเป็นหนึ่งเมื่อไรมันมีสองสามสีห้าร้อยพันแสนล้านมันง่ายที่จะรักษาอันเป็นอะไรตามๆให้ใจของเราอยใครเลขหนึ่งคือตัวเป็นหนึ่งเป็นไปง่าย ทุกอย่างก็ยังไม่ชัดเจนมากเลยแต่ที่สนคันคือเลหนั่มันอยู่ใกล้กับเลนสูนเลสูนนั่นคือความว่างเปล่าคือมันนิ่งๆเฉยๆเลนสนนั้นถ้ามันอยู่คนเดียวดูตัวเดียวมันก็มีค่าเลยอนายเป็นโซนๆเป็นร้านโนก็มีค่า มีเลห น, นักหาอะไรก็ตามหกับศูนย์ของกันเทาเดหนึง่งไปอยู่ข้างหน้าเท่าไหร่กลายาเป็นศูจะมีค่าใานันนี้ทีเพราะฉะนั้นใจของเราในือนกันนณะที่มันฟุงซานคิดแบบไม่รู้จบรู้สึกไปเรื่อยๆอย่างนี้คิดคจบได้ไม่ขากันคิดเทไรก็ไม่จบ นี่เรื่องสังขารโลกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะรำคาญเรื่าจิตเราอยู่กับสังขารโลกอย่างนี้บ่อยจิตของเราไม่มีค่าอันนี้คานั่คือจิตเล่มหนึ่งไม่รู้ว่าน่าสาานุนง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วทําใจมันว่างเกิว่างปล่า ความคิดปุ๋ยตกแต่งอยู่เฉยๆก็อ เ, อเป็นกลางกันมาว่าวันมไม่รกีก็วกับส็นงใดจิตอย่างนี้จิงเกว่าเป็นจิตของธรรมและมันมีวันขึ้นสุดมีวันจบจนโลกนัน้อย่างาไีก็ไม่จบคิดเราจะรู้ใช่นง่ายๆเราได้หนึ่งอยากได้สองมาสอปสามสามไป ส, ส, ไปสี่ซึ่งมันไม่พอ คือไเท่าไหร่ก็ม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้เรื่งสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเรายาสังขารสอนอยางนี้เราก็จะอยู่กับตัวเราได้ง่ายกว่าขณะนี้เวลานี้จิตของเราเป็นยังไงจิตของเราอยู่กับโลกก็อยู่กับธรรมอยูของโลกเพิ่งทำใจไว้เสมอว่ามันไม่เป็นที่สุดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็มีพอเพราะจิตที่ไม่ผิที่สุดมัน่มันอยู่กับ ความอยา ก, ก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็ น, อ ย, อ, ย nie, อ, ยปนอยู่นี้ตลอดมันก็มีที่สิ้นสุดท่านเจ็ดของเราเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นเดียวเราเอกกับอารมณ์ก็เป็นสมาี่มันก็จะมีกลางมันก็จะวางวางนั้นก็คือว่างจิตระวางได้จิตเราก็ว่างได้มันวางจากอารมณ์เราสัญญาอารมณ์ที่เป็นหาที่ที่เป็นอนาคต แล้วก็ดูดีปัจจุบันอารมณ์ที่ปัจจบันนั่คืออารมณ์ความเป็นจริงอารมณ์เฉยๆนะอารมณ์ที่มันจบไปแล้วจบไปแล้วมันจริงเห้กันแต่มันจบไปแล้วมันไควรจะมาปรุงมาแต่งใหม่เพราะมันจบไปแล้วมันแล้วไปแล้วอนาคตก็เหมือนกันถ้าเราจิตเราฝึกให้มันคิดอยู่อย่างนี้เราไปเข้าใจตัวตนที่แท้ทจริงของเรามากขึ้น ตัวตอนฟ้องเราคือตัวเราคือจิตที่แท้จริงคือจิตเดิมแล้วช่จิตที่มันโดนปรงมันแต่งโดนมันหลอกอหนนี้ก็ตัวเรากับเงาตัวเราถ้าเรากับเงาเราตลอดเราเกิดความรู้สึกมันจะถูกแต่งเราเกิดจากการสื่ต่างเราเกิดขึ้นส่วนตัวเราคือจิตคือจิตเดิมจิตดั้งเดิมจริง อันถูกข่อหุ้มโดยกิเลสโด่อวิชชาอาศาะห่อหุ้มก็ไม่สามารถที่มองเห็นเข้าถึงจิตของเราอย่างแท้จริงก็เหมือนต้นไม้ก็เห็นแต่ข้างนอกแต่เราไม่เห็นแก่ขนของมันข้างนอกเราเห็นหมเปลือกพืชใบไม้ยอดทุกอย่างเราเห็นหมดแต่ว่าแก่นต้นไม้เราไม่เคยเห็นดัะนั้นคนที่เห็นแก่นต้นไม้ก็ต้องตัดกอกไป เพราะนั้นใจเราในขั้วเดียกันถ้าเราตัดใจคือตั ด, ตดบางสิ่งมางอย่างที่มันไม่จําเป็นตัดความรู้สึกต้องคิดปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ตัดออกไปตัดออไปอไปสุดท้ายเราก็จะยัก่งคือใจของเราที่จะจะเอากัา อ, อารมืออารมณ์หนงเดียวนั่นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราถ้าอย่างเราตัดอะไรไม่ได้คือตัดใจไม่ได้สักอย่าง ไมมีทางที่จะตัดเข้มแข็งจิตใจหรือว่าสาระที่แท้จริงของจิตใจของการเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่รับสาระอะไรเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดใจได้ไม่ตัดไม่ได้ยังไม่พอจังเสริมเติมปรุงแต่งต่อเติมเข้าไปอีกมันก็ยึดไปกันใหญ่ยึดห่างไกลจากความเป็นจริงนั่นคือปฏิบัติธรรมของเราที่พยายามจะตัด ปัอกตัดใจจากสัญญาอารมณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดให้อยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดเพราะการภาวนาที่ได้จริงเช่นว่าให้เราใช้คำบริกรรมหลายอย่างเพื่อให้ใจหรือจิตของเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตเราอยู่ปัจจุบันใจมันก็จะไม่หลงคือไม่หลงโลกไม่หลงธรรมทั้งสองอย่างใจมันไม่เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีอิสระสามารถจะคิดได้ตนเอง ไม่โดนสิ่งเหล่าอื่นครอบงําด้วยชี้นาในชีวิตประจำวันอันนเป็นสําคัญอย่างยิ่งที่ปัจจุบันนี้เราโดนชีนําทําให้จิตใจของเราโดนไปเข็ดมองไมออกว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จริงขเราเราโดนไปเข็ดเหมือนคนหลงจิตเราหลงหลงป่าหลงโลก ดูอย่างนี้คำว่าลงก็ชัดเจนมาแล้วหาตามออไม่เจอหาตามกลับไม่เจอม่รู้ไปทําไหนไปข้างหน้าก็ไม่ไกลับล้างก็ไม่ได้มันก็เลยหลงเรียหลงโลกหลงธรรมมันกเรีนว่าตาเสพอย่างนี้ทำอะไรก็ตามเราไปดูทางเราเป็นาหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่หลงโดยเฉพาะนีทางที่พระดูโอชิให้เราเดินแล้วก็คือเส้นสมบัติปัญญาที่ทางสายเอกทางสายตรง ทางสายอื่นนอกจากนี้ไม่มีแล้วถ้าเราเดินนอกไปจากนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้หลงทางไม่มีตามที่จะไปไม่มีตามที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะเป็นหลงทางก็อย่างที่อยในต่อระเบียบเดินตามต้องคอยช่สยชมชมชี่ยให้พวกเราได้เดินทางข้างหน้นาเรานะ<ๆ>จะไกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเวลาเราปฏิบัติทุกวัน มากน้อยไม่เป็นไรพอปฏิบัติคือขบให้เดินคือแค่จำเนินไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้างหน้าเป้าหมายก็จะอยู่ก็จะถึงแน่นอนแต่ถ้าเราโมเดลหลงก็เดินอยู่อย่างนี้ไม่มีทางการตอบก็ไม่มีทางเลยคือทางก็จะหลงวดไปเวีอนมาก็เราจะเป็นๆกันอยู่เพราะสร้างสติปัญญาให้มากขึ้นเราก็จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ คนที่สร้างสติปัญญามากขึ้นก็พยายามตัดให้เหลืออันเดียวคือเอกาดาลมจิตเป็นเอกแต่เมื่อไหร่เมื่อนั้นองค์เราน้อยลงน้อยลงตัวเล็กน้อยควรู้สึกน้อยก็อยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะรู้จักสิ่งที่มันอยู่ในกายอยู่ในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเองนั่นคือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนะครับ ธรรมะเล็เกๆน้อยๆวันนี้ก็่ากพวเราทั้งหลายเพื่อเป็นคตตื่เตีอนใจในการดาเนินชีวิตในการปฏิบัติประจำในครอบครัทั้งหลายก็ขอพองบูธนากราบหารที่เราน้อมนมานในวันนี้